ขอความสุขความสวัสดีจงมีแดท่านควางทั้งหลายพระสูตรที่จะได้บรรยายในวันนี้ก็คงเป็นเรื่องมงคลแห่งชีวิตที่สืบต่อจากที่ได้กล่าวมาแล้วมงคลที่กล่าวมาในวันก่อนนั้นก็คือสามมงคลแรกได้แก่การไม่คบผ่านการครบบัณฑิตการบูชาท่านผู้ควรบูชา จึงถือว่าเป็นอุดมมงคลในชุดที่สองนั้นได้แก่การอยู่ในประเทศที่สมควรซึ่งบาลีใช้คาว่าปฏิรูปประเทศเาการจะได้เกิดในปฏิรูปประเทศนั้น เ, เป็นเรื่องของบุญกุศลสาหรับบุคคลดอกนั้นคนเราก็อย่างที่พูดกันว่าเลือกเกิดไม่ได้ แต่ในแง่ของความเป็นจริงตามหลักธรรมในทางพุทธศาสนานั้นเราเลือกเลือกเกิดมาได้ตัวการสำคัญก็คือเราไม่ได้เลือกเกิดมาก่อนนั้นเองแต่ไงก็ตามการเกิดในปฏิรูปประเทศซึ่งทัดหมายถึงประเทศที่มีพระรนตรยัยปรากฏอยู่สำหรับพุทธบริษัททั้งหลายในข้อนี้ท่านเรียกว่าประเทศสสมบัติ ือถึงพร้อมด้วยประเทศหรือท้องถิ่นที่มีลักษณะอำนวยให้บุคคลเหล่านั้นได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพระรัตนตรัยมากยิ่งขึ้นเพราะว่าการได้พบพระพุทธเจ้าการได้ฟังประธรรมการได้พบเห็นสงฆ์ถือว่าเป็นอุดมมงคลแต่ละอย่างสำหรับบุคคลเหล่านั้นและที่สำคัญก็คือว่าเป็นปัจจัยครั้งแรก ที่จะส่งเสริมให้บุคคลเดินหน้าในการรับผิดปฏิบัติได้ถือว่าการอยู่ในปฏิรูปประเทศจึงกลายเป็นฐานที่จะสนับสนุนให้บุคคลเดินไปในมงคลข้ออื่นๆได้บางครั้งบางคราวสิ่งแวดล้อมในชีวิตของบุคคลก็กลายเป็นพิษเป็นภยัยสมหรับบุคคลเหล่านั้น เ, เช่นต้องไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีเหตุปัจจัยมากระตุน้น ให้เกิดความสํานึกอันดีงามขึ้นภายในใจของตนบุคคลก็ประสบความเดือดร้อนไปด้วยประการต่างๆได้ทั้งๆที่มีเชื้อความดีปรากฏอยู่ภายในจิตพอสมควรแต่ก็เหตุปัจจัยแม่อำนวยให้ก็กลายเป็นมณีในเปลือกตรมรอคอยการขุดขึ้นมาของบุคคลเหล่าอื่นซึ่งกรณีท่านทั้งหลายจะเห็นบุคคลเป็นอันมากที่ไปอยู่ในสภาพแปดล้อมไม่ดีในสมัยพุทธกาลก็เช่น ตรงกริมาณเป็นต้นจึงก็พื้นฐานก็ดีอยู่แล้วแต่ก็ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีก็หักเหวิถีชีวิตให้เปลี่ยนแปลงไปเป็นเวลานานพอสมควรแต่เมื่อพระเจ้าไปชุดดึงขึ้นมาได้ท่านก็เปล่งประกายของความดีออกมาได้เช่นเดียวกันดังนั้นปฏิรูปประเทศจึงถือว่าได้แก่ทาเลที่เหมาะสมในแง่ทั่วไปนะแต่ว่าในแง่ของการศึกษาปฏิบัติธรรมก็ถือว่า ของจินที่มีพระนตนารัยปรากฏอยู่มีการศึกษามีการสั่งสอนมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาข้อต่อไปก็คือภูเพกะตะปุญญิตาที่เรียกว่ามีบุญได้กระทำไว้ในการก่อนนั่นคือตัวเหตุที่คนเกิดเป็นเกิดในปฏิรูประเทศก็ตามหรือว่า อาการไม่ยินดีจะคบหาสมาคมกับคนพาลการน้อมเอียงจะเข้าหาบัณฑิตการรู้จักบูชาผู้ควรบูชาจนถึงตั้ง ต, งตนไว้อชอบในชุดหกนี้ปัจจัยส่วนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยออกจะหลักมากก็คือการมีพื้นฐานของความดีที่ได้สั่งสมอบรมมาในการก่อนเพราะว่าทำกลางสิ่งแวดล้อมใหม่ๆนั้นถ้าก็ไม่มีเชื้อความดีอยู่ภายในใจบุคคลก็จะ ไม่ค่อยชื่นชมยินดีในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างในบ้านในเมืองเรานี้แม้เป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาประชา ก, การเราถึงเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นับถือพระพุทธศาสนาแต่ก็เป็นชาวพุทธอำเภอคืออยู่ในทะเบียนสัมโนโครัวแต่นั้นเองส่วนพฤติกรรมเหล่าอื่นก็ไม่เป็นที่น่าชื่นชมยินดีสาหรับวิญญาชนทั้งหลายเพราะยังมีลักษณะที่ สร้างความขัดแย้งกันขึ้นระหว่างความเป็นชาวพุทธกับพฤติกรรมที่แสดงออกมาของบุคคลเหล่านั้นในนามของความเป็นชาวพุพทธเพรลักษณะของชาวพุทธนั้นจะต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างที่ทราบกันการกระทําแบบพุทธก็จะต้องไม่มีลักษณะรุนแรงโหดร้ายด้วยประการต่างๆแต่ก็มีการกระทําในลักษณะรุนแรงโหดร้ายซึ่งนี้เป็นการแสดงเห็นถึงว่า อิทธิพลของพุทธธรรมไม่ได้ครอบงำจิตใจของบุคคลได้อย่างแท้จริงปัญหาซึ่งไม่น่าจะเป็นปัญหาก็ยังเกิดขึ้นในบ้านในเมืองเราอยู่อีกอย่างหนึ่งคือบุญที่กระทำไว้ในปางก่อนนั้นจะมีลักษณะส่งเสริมสนับสนุนเหตุปัจจัยในปัจจุบันที่บุคคลสร้างขึ้นก็กลายเป็นสองแรงแข่งขันอย่างที่เราพบกันว่าบุญมาวาสนาส่งหรือบุญมาวาสนาช่วย คนบางคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตไม่ว่าในด้านอะไรก็ตามส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของปโยกะคือการประกอบกระทําของบุคคลนั้นในปัจจุบันซึ่งเป็ น, ป น, ปนมงคลข้ออื่นๆแต่ว่ามงคลข้อนี้เน้นไปที่ปุเพกะตะปุญญาตาคือบุญที่กระทําไว้ในการก่อนของบุคคลผู้นั้นเป็นการเพิ่มเชื้อหรือกัเป็นการเพราะเชื้อของความดีภายในจิตใจของบุคคล แล้วเมื่อได้ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีแกก็คุ้มครองตัวเองก็ได้พอสมควรคือไม่ถึงกับตัวเขยวตกบลอบไปแต่ถ้าไปได้สิ่งแวดล้อมที่ดีโดยในย่าที่กล่าวในตอนตน้นก็จะเดินหน้าได้เต็มที่และเพื่อจะให้เกิดเป็นมงคลขึ้นมาอย่างแท้จริงพระเจ้า ก, ก็ทรงแสดงมงคลข้อที่6เอาไว้ว่าต้องอัตตสัมมาปณิธิคือการตั้งตนไว้ในทางที่ชอบ ต, ตกลงว่าปุเพกตะพุญยตาอัตาสมาปณิธินั้นก็เป็นการแสดงถึงกรรมสองฝ่ายด้วยกันบุญที่กระทํามงคลข้อที่5นั้นเป็นการแสดงถึงอิทธิพลของอดีตกรรมโดยเฉพาะคือบุญที่บุคคลกระทาไว้ในการก่อนซึงมาส่งเสริมมาสนับสนุนมาสร้างแนวโน้มอัตยาสายของบุคคลผู้นั้นให้มีความชื่ น, ช, น, ช, นชมยิน ด, ดีในกุศลธรรม การชื่นชมยินดีในกุศลธรรมนั้นถ้าเราดูพฤติกรรมของคนต่างๆที่แสดงออกเราก็เห็นได้ง่ายยกตัวอย่างเช่นเยา ว, วชนของเราซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่มักจะมองแกรว่าเป็นคนมีปัญหานั้นแต่ก็มีเยา ว, วชนเราเป็นจำนวนไม่น้อยที่มีอัธยาศัยละเมิดละไมประณีตอ่อนโยนพร้อมที่จะรับฟังชื่นชมในกุศลธรรมทางหลายเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายมีจิตใจอ่อนโยนต่อ บุคคลอื่นและพร้อมที่จะรับกุศลธรรมทั้งหลายนั้นก็มีอยู่จำนวนไม่น้อยแต่ในขณะเดียวกันที่นิสัยกระด้างเย็นชาไมา่ยอมรับต่อกุศลความดีทั้งหลายรู้สึกว่าการได้ยินได้ฟังธรรมะเหมือนกับการต้องกินยาขมซึ่งตัวเองไม่สามารถจะดื่มลงไปได้ก็มีอยู่เป็นจานวนไม่น้อยลักษณะเหล่านี้ถ้าเราไปตามโรงเรียนต่างๆก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า พฤติกรรมของเยาวชนเหล่านั้นแสดงให้เห็นบางคนอายุยังน้อยๆ อ, อย่างระดับเด็กอนุบาลระดับเด็กประถมซึ่งอายุยังน้อยมากแต่เวลาพูดในเรื่องธรรมะเข้ามีคนเป็นจํานวนมากที่สนใจตั้งใจฟังอย่างตั้งใจจริงๆบางคนจดได้จดไว้แล้วก็จําได้ด้วยแต่บางคนแกก็ไม่สนใจนั้นแสดงหเห็นถึงพื้นอัธยาศัยของอดีตกรรมโดยเฉพาะเพราะว่า ปัจจุบันนั้นก็ยังไม่ได้รับอะไรเข้าไปมากมายนะักแต่ว่าแรงของอดีตกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้มีแนวโน้มอัตยาสายยินดีในเรื่องเหล่านั้นดังที่เคยเล่าถึงประวัติของผู้พระญะบุคคลทั้งหลายที่ตอติว่าด้วยประวัติพระอนุพุทธคือฝ่ายละสี่ท่านนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายลองมองย้อนกลับไปที่ประวัติของพระญาบุคคลแต่ละท่าน หรือพระญา บ, บุคคลเหล่าอื่นที่มีอัธยาศัยมาตั้งแต่เด็กๆคือพอใจ ย, ยินดีที่จะเข้าหาศาสนาอย่างพวกสา ม, มนเณนในสมัยพุทธกาลมีอยู่สท่านด้วยกันที่อายุเพียงเจดขวบเท่านั้นพระพุทธเจ้ายกให้เป็นพระเลยคือไม่ต้องเป็นเนตรเพราะท่านเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่เด็กๆแล้วดูลักษณะนิสัยของท่านแล้วก็เป็นคนที่ฝ่ายการศึกษาอย่างตัวอย่างบัณฑิตสา ม, มนเณน ซึ่งแม่ของท่านเป็นอุปถาประสาริบุตรคือเป็นอุบาสิกาอยู่แล้วก็แสดงเห็นว่าบุญกุศลก็ส่งให้ท่านมาเกิดในสกุลสมาทิธิมันก็เป็นเพิ่มแรงขึ้นมาอีกแรงหนึ่งและจากการที่ตั้งแต่วันเกิดมาแม่ก็ลคล้ายๆก็ให้เป็นลูกบุญธรรมกองประสาริบุตรไปเลยพอโตเจ็ดขวบคือในระยะเวลาเจดขวบนั้นก็คุ้นเคยอยู่กับพระพบเห็นพระอยู่เรื่อย ซึ่งการพอเห็นพระอยู่เรื่อยๆนั้นไม่ได้เป็นเหตุปัจจัยเสมอไปว่าเด็กจะเป็นคนดีคนนี้เพิ่งตัวอย่างแม้แต่เด็กภายในวัดเราเองบางคนก็ไม่เอาทั้งอาวทั้งฐานทั้งขี้เท่าทั้งๆที่จะอยู่กับวดัดกับวากับศาสนาอยูเอ่เด็กที่มาจากนอกวัดโดยทั่ไปยังมีอัธยาศัยที่หนักในกุศลแล้วก็พร้อมที่จะศึกษาสาััฟังธรรมะที่เป็นกุศล เราก็ไม่ได้กําหนดกันเสมอไปว่าจะอยู่ตรงนั้นแล้วจะดีแล้วจะอยู่ตรงนั้นแล้วจะไม่ดีเพราะยังมีเงื่อนไขตัวอื่นๆอยู่อีกออแต่ในกรณีของบดิตษสษามเณรเราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเดินตลอดกระบวนของกุศลที่สังสมอรุมาในอดีตชาติต่อมาคุณแม่ก็ให้บวชเป็นลูกศิษย์ของพระสาธิบุตรบวชเนร เ, เนน้อยบวชไปแล้วก็เป็นเนรที่ช่างซักช่างถามเฉย คือเห็นอะไรก็ต้องถามต้องคิดแล้วแกก็ไม่ได้คิดเท่าที่ปรากฏแกจะคิดโยงไปหาสิ่งที่ไม่ปรากฏแล้วก็น้อมนึกกลับมาหาตนวันหนึ่งไปบินธบาตกับพระสารีบุตรเป็นชาวนาไอชาวนาขาน้ำข้าวนาก็ถามก็ทำอะไรกันสารีบุตรก็บอกว่าชาวนาก็ขน้ำข้าวนาแกถามว่าน้ำได่มีใจหรือเปล่าบอกไม่มีใจหรอกแล้วทาไมก็ขก็ไปได้ ก็สามารถจะขายน้ําที่ไม่มีใจให้ไปตามที่ต้องการได้เฉยๆพระสารีบุตรก็บอกก็เป็นอย่างนั้นท่านก็เริ่มเข้ามาคิดว่าขนาดน้ําที่มียังไม่ไม่มีใจอะไรเนี่ยคนยังสามารถนําชักลากน้ําไปสู่ที่ที่ตนต้องการได้ตามปรารถนาแต่เราเองมีใจมีเจตนามีความคิดมันก็น่าจะฝึกจิตให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ก็เดินไปอีกไปถึงก็เห็นช่างสอนดัดลูกศร เราถามอีกแล้วเขาทำอะไรกันพระสารีบุตรก็บอกว่าช่างสอนก็บังดัดลูกสอนจงสอนในสมัยนั้นก็ดัดลูกสอนก็คือการถากไม้มาแล้วก็เสร็จแล้วพอได้เป็นรูปร่างแล้วก็ลนไฟแล้วก็ถากไปลนไฟไปพอได้ที่แล้วก็ดัดกับง่ามแล้วก็ลนไฟดัดง่ามลนไฟทาน้ำมันทำกันอยู่อย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เล็งอยู่เรื่อยแล้วก็ยืนดูก็ถามโดยในยะเดียวกัน ก็ได้ความสรุปว่าไอ้ลูกศรเองไม้ที่มาทำลูกสรเองก็ไม่มีไม่มีจิตไม่มีเจตนาอะไรเขาก็มาเริ่มคิดอีกไอ้ไม้ที่ไม่มีเจตนาเนี่ยเขายังเอามาถากได้ทำให้เป็นลูกสรได้ตามที่เขาต้องการไอ้เราเป็นคนมีใจมีเจตนามีความจงใจก็น่าจะฝึกใจตัวเองให้เป็นไปตามที่ทัวที่ตนต้องการได้แต่แล้วก็เดินไปอีกหน่อยหนึ่ง ไปถึงเห็นช่างถากถากไม้ถากเป็นกรงเป็นล้อเป็นกรรมของรถซึ่งว่ามจริงก็ออกจะทําได้ยากอยู่ประมาเครื่องไม้เครื่องมือในสมัยนั้นท่านก็ถามโดยนัยยะเดิมพระอริบุ ก, ก็ตอบให้โดยนัยยะเดิมท่านก็เริ่มคิดอีกว่าไม้ที่เป็นท่อนๆ อ, อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีเจตนาไม่มีใจไม่มีความคิดอะไรแต่อาศัยช่างถากลูกศรก็อาศัยช่างสอนน้าก็อาศัยชาวนา แต่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นให้เป็นไปตามที่ตัวต้องการได้ไอ้จากความคิดเหล่านี้เราจะเห็นว่าคือถ้าไม่มีพื้นอริยสายมันคิดไม่ออกหรอกอยาก จ, จะไปดูไปเล่นไปสนุกสนานไปแต่ท่านไม่ได้คิดอย่างที่มันปรากฏคือไม่ได้คิดว่าเขาทําอย่างไรทําทําไมจะต้องทําอย่างนั้นไม่ได้คิดอยู่แค่นั้นแต่ท่านคิดเลยไปคิดเลยไปจนถึงดึงกลับเข้ามาม้วนตัวเข้ามาหาตัวเอง นี่ก็คือแนวความคิดในหลักพระพุทธศาสนาว่าเราจะคิดอะไรก็ตามแม้จะอาศัยนอกตัวก็ต้องกลับมรหาตัวให้ได้ที่ได้เคยกล่าวอยู่เสมอคือ ท, ที่จริงก็ไม่จะกล่าวเองนะครับพระพุทธเจ้าท่านสอนให้คิดอะเอวังธรมโมเอวังภาวีเอวังอนัตติโตเนี่ยคิดเรื่อยๆมีอย่างนี้เป็นธรรมดามีภาวะเป็นอย่างนี้ไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้เนี่ยก็คิดแต่ว่าคิดให้เป็นกระบวนการทางความคิดแล้วก็ในที่สุด ท่านก็ไม่ยอมบิดาบัตไม่ยอมบิดาบัดบอกให้ขอลาภาษาดิบุตรเพื่อจะไปกลับไปนั่งปฏิบัติกรรมฐ า, านภาษาดิบุตรก็ต้องปล่อยให้ไปท่านจะเริญกรรมาฐานตรงนั้นเองคือกลับไปถึงกุติก็ไปจเจริญกรรมาฐานไม่ยอมฉันข้าวภาษาดิบุตรก็ต้องบิดาบัดไปให้พระเนตอย่างเล็กกลัวจะหิว นี่ก็คือพื้นอัธยาศัยที่เป็นบุญทึ่กระทำไว้ในการกอดบรรกอตัวขึ้นมาเองมีความชื่นชมยินดีในกุศลละธรรมเหล่านั้นเองก็ในสมัยโบราณที่เขากำหนดอะไรกันไม่ได้เขาก็ว่าเป็นลิขิตของฟ้าหรือพรหมลิขิตเรื่ออะไรเป็นตน้นแต่ในแง่ของความเป็นจริงเราถือว่าอันนี้คืออำนาจวาสนาบา ร, รมีต่างๆที่เป็นตัวกระตุ้น สร้างความสำนึกที่พิเศษขึ้นภายในใ จ, จิตใจของบุคคลผู้นั้นแล้วก็หาข้อยุติไม่ได้หรอกว่าใครจะออกมาในลักษณะอย่างไรอย่างคนบางคนอรืองผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยเช่นท่านเจา้าคุณโพรโมนีผินอดีตเจ้าวาดที่วัดนี้คือต่อจากก่อนสมเด็จเนี่ยที่จริงท่านพ่อแม่ท่านเป็นคริตครอบครัวก็เป็นคริสญาตพี่น้องก็เป็นคริสทั้งหมดเลย ต, ตอนเด็กๆ เ, เนี่ย เขายังสอนให้ดาหาหา่าพระให้คว้าไอ้คว้างปาพระแล้วก็ล้อเลียนพระเรื่องหัวล้านอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็ว่าตอนเป็นเด็กๆแต่พอโตขึ้นมาแล้วเกิดสำนึกเกิดฝันเห็นพระเกิดอะไรต่างๆขึ้นมาท่านก็หักออกมาเลือกครอบครัวตระกูลมาเป็นพุทธได้ทั้งหมดโดยอาศัทยท่านเพียงองค์เดียวเท่านั้นเองนั่นก็คือปุเพกะตะบุญยตามันบุญที่กระทำไว้ในการก่อนมันหักออกมาอย่างแรงขนาดนั้นยังได้ตัวนี้จึงเป็นเรื่องที่ยังไงยังไงเราก็มีกันมาแล้วนะฮะ แล้วก็มีกันมาแล้วจะมีมากหรือมีน้อยเราก็มีมาแล้วดังนั้นในการจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มมันก็อยู่ที่อัตตสมาปณิธิคือการตั้งตนไว้ชอบตามธรรมหรือไม่นั่นเป็นหลักสาคัญข้อ น, นี้ดังที่เคยกล่าวมาในมหากรรมไมพังกสูตรจะแสดงเหตุตั้งความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของบุคคลเนี่ยที่ท่านแสดงองค์ประกอบใหญ่ไว้4องค์ด้วยกัน คือองค์งแรกนั้นก็มีเงื่อนใช่สามองค์แรกก็มีเงื่อนไขาจากภายนอกอยู่บ้างคือเรากระทำมาหรือว่าคนอื่นมีส่วนเกี่ยวข้องผลักดันให้เกิดเช่นนั้นขึ้นมาเช่นกติสมบัติหรือวิบัติคือหมายความว่าสถ า, านที่เราเกิด อ, อาจจะดีหรือไม่ดีเป็นปฏิรูปประเทศหรือไม่เป็นปฏิรูปประเทศนั้นก็เป็นเงื่อนไขยอย่างหนึ่ง ประการที่2ก็เรียกอุปธิคือสุขภาพพารานามัยววัยวะร่างกายความสง่างามความหลอ่อเหลาความคิริวกิเรอะไรต่างๆเนี่ยมันก็กลายเป็นความบิบัติความสมบัติในเรื่องเหล่านั้นอีกประการหนึ่งก็คือการละการยุคสมัยการเวลาที่จะอํานวยให้หรือไม่อํานวยให้แต่ตัวการที่สําคัญอีกประการหนึ่งซึ่งซึ่งไอ้เรื่องเหล่านั้นมันยังไงยังไงมันก็ผ่านมาแล้ว ตัการสำคัญจริงๆ จ, จ, จึงอยู่ที่ประโยคะคือการประกอบกระทำของบุคคล น, นั้นในชาตินั้นๆในยุคในสมัยนั้นๆเป็นตัวกําหนดคือสร้างความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้ข้อนี้จะเห็นได้ว่าถ้าเราจะอาศัยปัจจัยเพียงอย่างเดียวคือบุญกุศลในอดีตเพียงอย่างเดียวนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะไม่ต้องระดับบุญกุศลธรรมดาสามานยหรอกแม้แต่ระดับที่ เ, เรียกว่าเป็นบารมีบารมีของคนที่จะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์นั้น บาลีตั้งใช้คำว่าป ช, ชิมภพาวิกษัตรคือสัตว์ที่จะเกิดมาในภพชาติสุดท้ายคนเหล่านี้ต้องบรรลุอรหัตเสียก่อนถึงจะตายคืออาจจะบรรลุเสร็จตายเลยก็ได้ในขณะเดียวกันอีกพวกหนึ่งนั้นต้องสร้างสมอบรมบา ร, รมีสร้างสมอารมณ์บา ร, รมีเพิ่มขึ้นมาแล้วจะบรรลุมรรคผลเป็นพระหันได้ซึ่งก็หมายความว่าในส่วนบุญกุศลนั้นในส่วนบุญกุศลนั้นในปัจจุบันเนี่ย เราต้องเพิ่มขึ้นเรียกว่าไม่แน่นอนถ้าหากว่าเราไม่เพิ่มขึ้นแค่าการรับทรัพย์มรดกแล้วก็ใช้จ่ายสุรุยสุรายไปก็าอาจจะหมดได้แต่ถ้าเราเพิ่มขึ้นเราก็ตั้งตัวเป็นหลักพื้นฐานมีความมั่นคงแล้วก็สำเร็จในเวลาก่อนคนอื่นได้นี่ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในปัจจุบนันเราจะสร้างขึ้นหรือไม่สร้างขึ้นคนบางประเภทนั้นก็เต็มเปี่ยมแล้วพวกนี้ก็เหมือนกับฝีที่รอคอยการบ่งด้วยน้ําคือแตะนิดเดียวก็น้องออกมาแล้ว อาจิตใจของบุคคลที่สร้างสมระดับบารมีชั้นนี้เป็นพวกที่เที่ยงแท้แน่นอนว่าต้องบรรลุอรหรันตแต่อีพวกหนึ่งนั้นจะต้องสร้างความดีขึ้นในปัจจุบันถ้าไม่สร้างก็จบสิ้นกันคือความดีนั้นก็จะเสื่อมถอยไปคล้ายๆกับทรบัพย์สมบัติที่เรารับมรดกมาแล้วมีแต่การใช้จ่า ย, ายไม่มีการสร้างเพิ่มในสุก็เสื่อมถอยไปอัตสมาปมนิธิก็คือการประกอบกระทำตนให้เป็นคนดีที่เรียกว่าตั้งตนไว้ชอบ การตั้งตนไม่ชอบในความหมายนี้ไม่ได้หมายถึงลึกซึ้งอะไรเท่าไหร่นะฮะก็เป็นชั้นศีลธรรมจริยาเท่านั้นเองอได้แก่การดํารงตนในจุดที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมและไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อ ต, อตอนเองตามปกติวิถีชีวิตของคนนั้นก็จะออกมาในสามแนวด้วยกันแนวหนึ่งก็ทําตนเป็นพิษเป็นภัยต่อสกุล ต, ต่อต่อตนเองต่อสกุลบง ต่อสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่แนวที่2ก็คือไม่ทํำตนเองสังคมให้เดือดร้อนแต่ก็ไม่ถึงกับสร้างประโยชน์เกื้อกูลอะไรแก่สังคมขีดความสามารถก็มีจํากัดเพราะงั้นคนประเภทนี้ยังไงยังไงก็เป็นประโยชน์แก่สังคมพลักษณะทางสังคมนั้นคนที่ไม่ทําอะไรให้เป็นประโยชน์แก่สังคมเลยแต่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมเราก็ถือว่าคนนั้นเป็นประโยชน์ต่อสังคม ในระดับหนึ่งก็ดีกว่าพวกประเภทแรกประเภทที่สองก็คือทํำตนให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สังคมซึ่งลักษณะการบําเพ็ญประโยชน์หรือการตั้งตนไว้ชอบนั้นพระพุทธเจ้าจะใช้คําอยู่เสมอเหมือนกันหมดทุกคนทุกแห่งคือไม่เป็นการเบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนไม่เป็นการเบียดเบียน บ, บุคคลอื่นให้เดือดร้อนในชั้นชั้นนี้ก็เอาเท่านั้นคือชั้นศีลธรรมจัรญาไม่ใช่ว่าชั้นที่บระนี้ขึ้นไปชั้นบระนี้ขึ้นไปต้องเลยมงคลอีกข้ออื่นไป เรแสดงเห็นว่าการตั้งตนได้ในลักษณะนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นพื้นอาทยาศัยที่มองเห็นโทษมองเห็นบาปที่เกิดขึ้นจากการกระทํามานําความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นในส่วนหนึ่งก็ใช้การศึกษาสําเนียกเรียนรู้รับการฝึกปรืออบรมแนะนําสั่งสอนจากบุกคคลอื่นในปัจจุบันแล้วก็เห็นดีเห็นงามไปตามที่ท่านแนะนําสั่งสอนก็ประพฤติปฏิบัติตนไม่ให้สร้างความเดือดร้อนแก่บุคคลอื่นได้ นี้ก็เป็นชั้นหนึ่งแต่จะจบลงด้วยคําว่าเอตมังกัละมุตตะมังเหมือนกันข้อนี้เป็นอุดมมงคลซึ่งหมายความว่าแต่ละข้อนั้นเป็นอุดมมงคลในจุดของตัวเองในฐานะของตัวเองแล้วก็เป็นข้อปฏิบัติที่เกือ้อกูลซึ่งการแหลกกันอยู่ด้วยไปไม่ใช่ว่าจะโดดเดี่ยวอย่างใดอย่างหนึ่งโดยโดยเฉพาะการพูดเป็นตัวเลขอาจจะพูดมากแต่จริงการไม่ครบพานมาก็ ก็ต้องคบบัณฑิต่คนเราก็ต้องคบคนฝ่ายหนึ่งเมื่อไม่คบพานก็ต้องคบบัณฑิตเมื่อคบบัณฑิตก็เป็นเหตุให้ตัวได้บูชายกจ่องคนที่ควรแก่การบูชายกจ้องโดยการอาจจะแนะนำสั่งสอนจากบัณฑิตทําให้เลือกภูมิทินที่อยู่อาศัยอันมีลักษณะเป็นปฏิรูประเทศโดยการที่เป็นเช่นนั้นก็อาศัยบุญที่กระทําไว้ในการก่อนและการกระทำในปัจจุบันเป็นเหตุให้ตนตั้งตนไม่ชอบเลยดึกเลยบางคลเหล่านี้ก็อิงอาศัยซึ่งการใดกัน ประการต่อไปก็คือพระผู้ศักดิ์จั่จะสิปัญจวิเนโยจะสุสิกิโตสุภาพิตาญาวาจาเอตมังกะละมุตตะมังก็รวมแล้วก็เป็นสี่มงคลด้วยกันมงคลประการแรกก็คือผู้ศัจดิคือการศึกษาการสระดับฝังมากเป็นผู้มีการศึกษามีการสดับดับฟังมากพระพุทธศาสนาเรานั้นเป็นศาสนาแห่งการศึกษา ท่านผู้ฟังอาจจะไม่เคยคิดหรือไม่เคยสังเกตนะว่าสิกขาบทแต่ละข้อเนี่ยที่เราใช้กันมาสิกขาบทคือแต่ละก้าวของการศึกษาแสดงถึงการพัฒนาทางจิตของบุคคลที่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อ ต, อตอนเองและสังคมสูงขึ้นในฐานะที่ตนเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงเริ่มสิกขาบทด้วยด้วยข้อปฏิบัติในลักษณะที่ให้คนยอมรับสิทธิของ ชีวิตแห่งการอะไกันคือไม่เบียดเบียนประทุษร้ายกันในชั้นชีวิตนั้นก็ต้องอาศัยการศึกษาในทํานองที่เอาใจเขามาใส่ใจเราหรือทำตนทำตนเป็นอุปมาอย่างที่ทราบกันแล้วเราก็เดินเข้าได้ได้มาเรื่อยๆในชั้นต่างๆประณีตขึ้นไปจนถึงมีการระมัดระวังสํารวมกิริยาอาการที่แสดงออกในที่สาธารณะหรือว่าตามเพศตามภาวะตามสถานะของตนนั้นก็ ต้องอาศัยการศึกษาการสำนิกการเรียนรู้การสํานึกที่ประณีตพิเศษทึ่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นเพราะฉั้นพอมาถึงพรุสัจจะใการศึกษาการสดับจากฝังมากเป็นลักษณะมงคลที่จะปรับบุคคลให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเพราะภารกิจในโอกาส ต, ต่อไปนั้นไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ แต่บุคคลจะต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเองรับผิดชอบต่อครอบครัวรับผิดชอบต่อสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ถ้าตัวเองมีความอ่อนได้ในด้านการศึกษาไม่มีความรอบรู้เหมาะสมแล้วก็จะรับภารกิจที่ยิ่งใหญ่ต่อไปข้างหน้าไม่ได้การศึกษาจึงเป็นเครื่องกําหนดคุณภาพของคนในท้องถิ่นนั้นๆในสกุลนั้นๆตลอดถึงในประเทศนั้นๆเราจะเห็นได้ว่าอย่างในเมืองไทยเรานั้นถ้าเราพูดถึง จำนวนประชากรแล้วก็มากมากพอสมควรที่เราจะพัฒนาให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพอย่างน้อยก็อย่าสร้างปัญหาให้แก่สังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่แต่ก็จริงแล้วเราก็ทำอะไรกันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ปัญหาต่างๆที่ไม่น่าจะเป็นปัญหาก็ยังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆบางครั้งบางคราวก็มีลักษณะรุนแรงนั้นส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้นจากการไม่ศึกษาไม่ตรับตรับฟังใน หลักธรรมที่จะนําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมซึ่งบุคคลแสดงออกมาทางกายทางวาจาการศึกษาการสดับว์กษางมากจึงถือว่าเป็นหัวใจในทุกจุดไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรก็ตามเราจะพบว่าก็ต้องอาศัยการศึกษาเรียนรู้เข้าใจทั้งหมดเลยเรื่องศียก็ต้องศึกษาเรื่องสมาธิก็ต้องศึกษาเรื่องปัญญาก็ต้องศึกษาวิชาชีพต่างๆก็ต้องศึกษาก็ศึกษากันทั้งหมดศาสนานั้นจึงมีแต่สิกขา คือข้อที่เราจะต้องศึกษาจะต้องปฏิบัติจะต้องพัฒนาให้มีความเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นาการศึกษาประเภทที่เป็นภูมิศาสตรนั้นจึงใช้ได้ทั้งสองนัยยะนัยยะที่เป็นคดีโลกคือเรื่องของวิชาชีพต่างๆที่บุคคลจะต้องใช้วิชาเหล่านั้นประกอบสมาชีพของตนและในขณะเดียวกัน ก, ก็ต้องศึกษาในส่วนคดีธรรมอันจะเป็นประทีิชี้นําชีวิตของบุคคลในกดําเนินภายในทางที่ชอบที่ควรเพราะว่า พระพุทธเจ้าท ร, ทรงแสดงประเภทของบุคคลในโลกเอาไว้เฉพาะในด้านการศึกษาเป็นสาประเภทด้วยกันในติกนิบาตอันคุตตรนิกายทรงใช้คำว่าอันทัศสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยคนบอดขนมืดประเภทแรกก็เรียกว่าอันทัศจขุคือตาบอดหมดสองข้างได้แก่คนที่ไม่เห็นทั้งทางกรดิษโลกไม่มีไม่มีทั้งทางกระดิธรรมไม่ได้ศึกษาธรรเนียบในเรื่องเหล่านั้นบุคคลประเภทที่2เรียกว่าเอกจคัคคุคือมีตาข้างเดียว เราอาจจะศึกษาเรื่องของธรรมะอย่างเดียวแต่ก็ไม่รู้ภาษาไม่รู้เงื่อนไขไม่รู้ระเบียบแบบแผนขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวโลกเขาเวลาเราต้องไปเกี่ยวข้องกับชาวโลกเราก็จะพูดจาภาษากันไม่รู้เรื่องสื่อความหมายกันไม่รู้เรื่องและในที่สุดก็กลายเป็นการสร้างกำแพงหัวใจระหว่างบุคคลทั้งสองฝ่ายเอาไว้คือไม่ยอมจะประนีประนอมกันอย่างที่เราสังเกตความรู้สึกนึกคิดของคนเป็นจํานวนไม่น้อยที่มีความรู้สึกว่า พระพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ก็คงไม่รู้เรื่องเพราะว่าไม่มีลักษณะที่เป็นภาษาร่วมสมัยกับเขาแน่นอนเหลือเกินว่าส่วนหนึ่งนั้นเขาต้องการจะปกปิดความบกพร่องของตัวเองแล้วเชิดชูตัวเองขึ้นมาเป็นํานองที่ว่าถ้าพระพูดไอ้ฉันรู้เรื่องฉันก็คงเข้าวัดไปแล้วแต่นี่พระพูดฉันไม่รู้เรื่องฉันก็ไม่เข้าวัดแล้วก็ไม่ได้มองอีกทีหนึ่งว่าโง่อย่างไงที่พูดภาษาคนออกไม่รู้เรื่องคือคือไม่ได้สอบถามตัวเองว่าโง่ อ, อมากเหลือเกินเพราะว่าภาษานั้นก็เป็นภาษาไทยธรรมดาธรรมดา ว่าตนเองก็กลับฟังไม่รู้เรื่องละอีกประการหนึ่งนั้นก็เกิดขึ้นจากพระเราใช้สับแสงที่ออกจะยากเกินไปบางครั้งบางคราวก็เป็นอุปสรรคในการฟังเหมือนกันเพราะว่าภาษานั้นออกจะเป็นเรื่องใหญ่อยู่คือถ้าแต่เราไปใช้สับแสงที่โบขานอย่างภาษาของวังจันกเกษมเนี่ยที่เขามักจะใช้ภาษาทางวิชาการบางครั้งบัญญัติกันเองสรสามวันแล้วเอามาพูดแล้ว พูดเพื่อนยังไม่รู้ภาษานี้หมายความวม่ายังไงพูดไปแล้วเพื่อนก็นั่งคิดถ้อยคําเหล่านี้กันในทุกก็ติดนี้ก็เป็นปัญหาประการหนึ่งเพราะงั้น เ, เราจะเห็นว่าในการใช้ภาษาต่างๆเช่นวันอาสาหาบูชาเนี่ยภาษาหาบูชาก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่านะักวิทยากรต่างๆที่อภิปรายในเรื่องเดียวกันคือเรียกอาสาหาบูชาเรียกไม่เหมือนกันบางคนก็เรียกอาสารหาบูชาเลยมันแต่ ือว่ากันไปก็ไม่เคยดูตัวมานะฮะแต่ที่จริงก็เรียกว่าอาสารหักบูชาเพราะตัวรอจุฬานั้นเป็นตัวสะกดถ้าเขียนบาลีต้องมีจุดอยู่ข้างล่างก็ไม่ได้ออกเสียงถ้าออกก็เพียงแผนะ่วๆนั้นเองเพื่อให้มีลักษณะกลมกลืนกันทางภาษามีความไพเราะสลัดเฉลวยแต่ปกติเขาก็ไม่ออกคือเป็นอาสารหับูชาไปเลยทีนี้ไอ้ตัวรอจุฬาเนี่ยมันมีฐานที่มันแปลกออกไปคือบางครั้งบางคราวเสียงมันก็อาจจะ ออกมาในรูปมีตัวรออยู่อ่อนๆคือขนาดกึ่งมาตราในการออกเสียงนี่ก็คือเกิดขึ้นมาจากอะไรคือเกิดเกิดขึ้นมาจากการไม่ได้ศึกษาไ ม, ไ, กไม่ได้สําเนียกไม่ได้ถับตับฟังที่เหมาะที่ควรพูดกันเองแล้วก็มาตีกันเองเออทั้งๆ ท, ท, ที่วันดั่งโตอภิปรายด้วยกันนี่ก็คือปัญหาเล็กน้อยที่เกิดขึ้นจากการไม่ได้ศึกษาสาเนียกปัญหาบางอย่างก็ถูกละเลยออกไป แล้วก็สร้างความเครือบแคลงสงสยัยไม่แน่ใจเออย่างไงกันแม่เนี่ยสมาบุคคลหราทั้งหลายคือไม่รู้พูดยังไงอวิทยากรแต่ละคนก็ อ, อ่ององทั้งนั้นเลยแล้วก็พูดขัดแย้งกันเองขัดขัดแย้งกันเองนี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากการขาดการศึกษาการสําเร็จการสดับาจบฟังแล้วก็บางครั้งบางคราวแทนที่จะเป็นมงคลมันก็สร้างอภิมงคลให้เกิดขึ้นได้ประการต่อไปก็คือ หลักของการศึกษาที่เราเรียกว่าเป็นผู้สัจจะจริงๆนะครับผสัจจะจริงๆทั้งทางกดีโลกและทางทาดีธรรมนั้นก็จะต้องเดินม า, นมาในจุดที่เป็นทวิจักขุคือมีตาสองข้างพระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นโลกวิทูคือทรงรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเวลาพูดกับชาวโลกก็ใช้ภาษาโลกธรรมดาธรรมดาคือภาษาชาวบ้านโดยทั่วไปคือถ้าเราไปศึกษาในพระใจบิดกแล้วก็จะพบว่า พระพุทธดำรัสที่พระพุทธเจ้าจัดนั้นจะใช่สัมโหนง่ายกว่าที่พระอัตถกถ า, าจารย์ท่านพูดเรื่องพระพุทธเจ้ารับสั่งง่ายๆอยู่ดีๆเนี่ยฮะพอพระอัตถกถ า, าจารย์มาพูดโดยยากไปเลยท่านต้องการแสดงโวหารปฏิพานแสดงความรอบรูนอักษรศาสตร์ของท่านพระพระพุทธเจ้านั้นท่านไม่มีอัตตาก็ไม่มีตัวตนไม่ต้องการจะเชิดชูอะไรของพระองค์ไม่มีท า, างการวางการพระอาจารย์ท่านก็มีกิเลสของท่านน่ะต้องการจะแสดง ความรอบรู้ในอักษรศาสตรส์บางทีท่านเรียงภาษาบาลีท่านเอามาชนสมาธสนที่สนที่สมาสเนี่ยต่อกันตั้งสองสามบรรทัดนั่งแกะกันกว่าจะแปลออกหมดก็ยุ่งพอสมควรกันแต่พระพุทธเจ้าจะไม่ใช้คํำยาวๆเลยใช้ภาษาธรรมดาธรรมดาด้วยคําโดดๆง่า ย, ายเข้าใจง่ายรับสั่งออกไปเราก็เข้าใจได้ในทันทีลักษณะพระุทธเจ้จึงต้องเป็นทวิจักษุคือเรียกรอบรู้ทั้งทางคดีโลกและทางคดีธรรม แน่นอนในวิชาการทั้งหลายในโลกเนี่ยเราจะไปศึกษาให้แตกฉานไปหมดทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครมีความรอบรู้ขนาดนั้นน อ, อกจากท่านที่เป็นสัพพัญญูหรือแจกฉานในปฏิสัมภิธางก็อีกเรื่องหนึ่งดังนั้นการเรียนรู้ในแนวของภูัจะนั้นก็คือการหาความรู้ความเข้าใจจริงๆในแต่และเรื่องที่เราจะต้องศึกษาเราเรียน ในด้านคดีธรรมก็ต้องรอบรู้เพราะคดีโลกนั้นเป็นตัวพัฒนาด้านกายแต่คดีธรรมเป็นด้านพัฒนาจิตใจคดีโลกนั้นหาปัจจัย4ี่มาบำรุงชีวิตคดีธรรมนั้นอาศัยธรรมะมาหล่อเลี้ยง จ, จ, จิตใจจิตใจ จ, จ, จ, จ, จ, จ, จ, จ, จึงจะมีความเจริญเติบโตทั้งในส่วนกายและส่วนจิตเพราะถ้าไมอย่างนั้นแล้วจะมีปัญหาคือกายเจริญแต่ก็จิตไปเจริญก็กลายเป็นกลนประเภทที่เราเรียกว่าปัญญาอ่อนไปก็ได้การศึกษาประเภทที่เป็นภูษะ ทั้งสองสายนั้นจึงจะต้องมีลักษณะที่เรียกว่าคือสุตะในการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสมากสุตะทะโรคือทรงจำสิ่งที่ตนศึกษามาทางประสาทสัมผัสได้มากแล้วก็มีการสั่งสมเก็บเอาไว้ เ, เก็บเรื่องเหล่านั้นเอาไว้มากจนสามารถท่องได้จำได้ในกฎเกณฑ์ในเงื่อนไขต่างๆที่เป็นสลักสำคัญ ปัญหาเหล่านี้รู้สึกว่าเป็นปัญหาใหญ่ในวงการพุทธบริษัทแม้แต่ในหมู่พระภิกษุสา ม, มเณรเองก็ตามในปัจจุบันนี้คือไม่ค่อยมีการจํากันหลักการสาคัญบางทีก็พูดเล่ย์เจยไปองค์ธรรมหายไปทั้งข้อสองข้ อ, ขอยังไม่รู้สึกตัวเลยอนี้ก็คือเป็นปัญหาว่าเวลาประพฤตปฏิบัติจะมีจุดบอดนะฮะเพราะว่าพรุทธเจ้าทรงแสดงธรรมมีเหตุอย่างที่พูดกันพพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมมีเหตุ เมื่อทรงแสดงเหตุเราต้องบอกเหตุให้สมบูรณ์ไม่งั้นผลจะเกิดบกพร่องในทางพระพุติปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงแสดงเหตุแต่ก็รับรองผลเอาไว้ถึงก็หมายความว่ า, าคล้ายกาับการบอกยาแต่ละขนาดมีอะไรเข้าเท่าไหร่ในเครื่องปรุงเท่าไหร่เราต้องใส่เขาให้ครบถ้าใส่ไม่ครบก็มีปัญหาว่าผลจะไม่เกิดตามที่เขาบอกเอาไว้ การศึกษาธรรมะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะงันการทรงจำไว้ในเรื่องบางเรื่องจึงเป็นความจำเป็นแล้วก็มันช่วยได้มากนะโดยเช่นว่าการสมาทานศีลของบุคคลเนี่ยันบรรดานังสือพิมพ์เขาเขียนคุณประสคเขียนลงสยามรัฐว่าโยมคนหนึ่งสมาทานศีลมาตั้งสาวจนแก่ อายุ60กว่าแล้วหันไปถามสามีว่ราะข้ออธินานี่ก็ามาข้ามไปยังไงมันก็น่าชา้มใจว่ารงควรเหมือนกันคือว่าเรื่องเหล่านี้มันเราจะไปโทษพระไม่ได้แล้วคือตามปกติถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดต่างจังหวัดนี่บริษัทคุ้นเคยกันส่วนมากก็คุ้นคุ้นหน้ากันแล้วก็รู้จักพอที่จะอะไรเป็นปัญหาเราก็ชี้แจงกันได้แล้วบอกกล่าวกันได้โดยไม่ต้องเกรงอกเกรงใจอะไร แต่พอในเมืองหลวงนั้นเราจะพบว่าชาวบ้านกับพระไม่ค่อยคุ้นเคยกันปัญหาบางอย่างซึ่งเราอาจจะนึกว่าเป็นปัญหาแต่เราก็ไม่กล้าบอกให้ศีลมานั่งแปลศีลให้ฟังประเดี๋ยวโยมจะรู้สึกว่าแหมพระนี่ดูหมิ่นเราจริงเรารู้ตั้งนานามาแปลให้ฟังทําอะไรพระก็เกรงใจแต่ถ้าต่างต่างจังหวัดหรือให้ศีลก็เด็กแล้วก็แปลให้ฟังนะปกติจะแปลให้แก่ฟังบางทีก็อธิบายต่อไปด้วยทีนี้ถ้าหากว่าเราจําได้ เราจําองค์ของศีลได้ว่าปานามีองค์ยังไงบ้างอธินามีองค์ยังไงบ้างเราทําอะไรเราก็ไม่ต้องอมีวิจิกิจชาความเดือดร้อนใจสงสัยอะไรแต่ถ้าเราไม่จำก็ออกจะไม่แน่ใจจะตัดสินปัญหาต่างๆไม่ได้ไป น, นี้ควรหรือไม่ควรน่ยในด้านของของวินยัยมันก็อยู่ที่ควรหรือไม่ควรแต่ถ้าเรารู้กฎเกณฑ์เงื่อนไขของสิ่งเหล่านั้นเราก็รู้อะไรควรอะไรไม่ควรได้เป็นอย่างดีถึงแน่นอนเหลือเกินก็ต้องอาศัยการจำอภิปรารที่ ต่อไปนั้นก็คือต้องเพ่งพินิษ์พิจารณาด้วยใจธรรมะนั้นจะต้องคิดจะต้องพินิษ์พิจารณาเมื่อวานเนี่ยมีคนเขาเมื่อวานนี่มีคนเขามาบอกว่าไปฟังพระเทศมาแล้วก็พระเขาบอกว่าเวลามีคนมาเรียกรายอะไ ร, ะไรดีกาดีกาเนียหลบเขาก็ถ้าไปเตี๋ยลบดีกาแล้วต่อไปตายไปจะเกิดเป็นหอย โยมก็มาล่าฟังว่าจริงหรือเปล่ามาบอกว่าไม่รู้นะั้นแต่ในพจะใจบิดกมันไม่มีหรอกคือว่าการจะทําบุญนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าถอยหรือไม่ถอยมันอยู่ที่เรามีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธาเพราะปัจจัยที่พระเจ้าสอนให้พิจารณานั้นไม่ได้พิจารณาตรงนี้นะพิจารณาที่เราว่าเรามีกําลังศรัทธาไหมเร า, ามีกําลังทรัพย์ไหมดูสองอย่างนี้ถ้าว่าเรามีกําลังทรัพย์ แต่เราไม่มีกำลังศรัทธาก็อยาก่อนเือไม่ต้องทําหรอกปฏิธรรมไปแล้วกิเลสมันจะเพิ่มขึ้นโดยไม่จําเป็นสตาลก็เสียกิเลสก็เพิ่มขาดทุนสองด้านเลยการทําบุญในลักษณะนั้นก็ไม่ให้ทําหรอกบุญอย่างอื่นมีแย่ไปหรือว่าเรามีศรัทธาเรามีทรัพย์แต่เราไม่มีศรัทธานะฮะเรามีศรัทธาแต่เราไม่มีทรัพย์ก็เหมือนกันก็ทําไม่ได้ในกรณีของการให้ทานเพราะฉะนั้นใครจะมาไม่มาก็ไม่จําเป็นอะไรเราก็ไม่ต้สนใจ ไม่ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรว่าทุกคนจะต้องให้เมื่อมีการบริจาคมันก็ต้องดูที่เราไม่ได้ดูที่เขาแตทีนี้แน่นอนนะเกินในการดูกาลังศรัทธานั้นเราต้องดูคนที่มาขอด้วยมาขอรับบริจาคด้วยถ้าเราไม่ไม่ศรัทธา ก, กับคนนี้เราก็อยําทำมันพะทาแล้วจิตใจขุนหมัวเศร้าหมองมันไม่เป็นบุญอย่าลืมบุญนั้นต้องมีผลเป็นสุขถ้าบุญออกมามีผลเป็นนอนกายหน้าผากแล้วก็อย่าไปทา จะต้องมีลักษณะชำระขัดเกลีจิตใจของตนให้สงบสะอาดมากยิ่งขึ้นในลักษณะของการกระทำบุญเพราะงั้นพระเจ้าสอน้ดูกําลังทั้งสองนี้ถ้ากําลังทรัพย์เราน้อยกําลังศรัทธาเรามากให้ทําตามกําลังทรัพย์ถ้ากําลังศรัทธาเราน้อยกําลังทรัพย์เรามากให้ทําตามกําลังศรัทธาถ้าทั้ง2ฝ่ายสัมพันธ์กันคือทรัพย์ก็เยอะศรัทธาก็เยอะทําตามศรัทธาก็ได้ก็ไม่ได้เสียหายอะไร เพราะขอบข่ายมันจะมีจุดจำกัดในตัวของมันเองด้วยกะลังของศรัทธานั่นนี่ก็คือหลักในการพิจารณาเทียบเคียงคือไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ว่าถ้าไม่ได้ทำแล้วหรือว่าหลบแล้วตายไปจะเกิดเป็นขอยไม่ไม่ใช่อย่างนั้นไ ม, ไ, มไม่มีหลักอะไรมันก็อยู่ที่ใจของเราต่างหากอันี้ก็ทำให้มันให้มันนอกเรื่องไปพูดเล่นเล่นกันไปทีนี้บางทีมันก็เด็กๆไม่ ไ, ได้ยินได้ฟังเข้ามันก็จะมีปัญหาว่า ยิ่งคนเรามีปัญหาทางเศรษฐกิจอยู่ด้วยในปัจจุบันเนี่ยถ้าหากว่าอะไรอต่อไรก็เอากันด้วยในที่สุดคนก็จะรับภาระหนะักและความสงบใจก็เกิดขึ้นไม่ได้ทีนี้ประการต่อไปนั้นคือต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจหลักธรรมในทางศาสนาถ้าเราเข้าใจได้แล้วไม่ว่าเราจะพูดเรื่องอะไรก็ตามจะดูแล้วไม่มากอะไร เมืองการจำแนกแสดงอย่างที่บอกว่าธรรมะยิ่งสูงขึ้นไปจะพูดถึงขณะขณะมันนิดเดียวมันวินาทีหนึ่งไม่รู้จะ ก, กี่แสขนขณะแล้วขณะของความคิดก็มีลักษณะทียิบอย่างนี้เมื่อเราจำได้เราเข้าใจได้การประพฤติปฏิบัติก็ไม่เคอะเขินมีความสะดวกสบายทีนี้ข้อต่อไปนั้นสิปันจะคือศิละปะนะฮะเออในแง่ของหลักธรรมทางพุทธศาสนาเราถือวิชาเป็นสองชั้น ชั้นหนึ่งก็คือเป็นวิชาทางกดีโลกชั้นหนึ่งเป็นวิชาทางกดีธรรมวิชาทางกดีโลกนั้นเอาก็จริงเราไม่เรียกว่าวิชาเพราะวิชาต้องขจัดอวิชาได้นะฮะ ม, ม, มันอยู่ตรงกันข้ามกับอวิชาอาวิชาคืออะไรก็คือความไม่รู้อริยสัจ4ี่ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตไม่รู้กฎปฏิจจสมุปบาทแต่วิชาที่เราศึกษานั้นบางทีมันขมวดปมเข้าไปให้มืดบอดมากยิ่งขึ้นมีความเห็นแก่ตัวมีความละโมบโลภมาก บางครั้งก็วางแผนจะฆ่าคนยังไงจะล็อกแขนยังไงจะจะซัดปืนท้ายปืนยังไงบางทีมันก็ความคิดแรงๆนะฮะมันก็เพิ่มกิเลสเราถือว่าเป็นศิละปะเป็นอุบายในการเลี้ยงชีวิตอย่างหนึ่งของบุคคลซึ่งคนเราจะต้องมีศิละปะอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็จะหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวไม่ได้ แต่วิชาเหล่านี้ไม่ไม่ใช่กําหนดเสมอไปว่าต้องขจัดอาวิชาได้เพราะเราเรียนไปแล้วความโลภความหลงมันอาจจะมากยิ่งขึ้นเลยทั้งไปนะฮะบางทีก็เรียนไปจบไม่กี่ปีทํางานไม่เท่าไรก็รวยแล้วนี่ก็แสดงว่าเป็นวิชาที่ตอบสนองความโลภของตนวิชาเหล่านี้จะให้ความสุขในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันเท่านั้นเองแต่จะไม่เดินไปถึงอนาคตนะฮะนอกจาก เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมเพราะงั้นเวลาพระพุทธเจ้าทรงสดแสดงพวกอทิฏฐธรรมิกาประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันให้ท่านทั้งหลายลองสังเกตฮนะความมัน่นกยันในการทํางานรู้จักเก็บอมรักษาทรัพย์เอาไว้ก็าผาสมาคมกับคนดีรู้จักประมาณในการใช้จ่ายทรัพย์สมบัติก็เป็นเรื่องของการอยู่ดีมีสุขในปัจจุบันไม่ใช่จะติดตามตนไปในภายภาคหน้าได้สะสมรว บ, บรวมเงินทองไว้มากมายยังไงมันก็ท่านนั้นเอง นะกินเท่าที่อิม่มนอนเท่าที่นอนนั่งเท่าที่นั่งกระทัานั้นบางทีก็เป็นทุกข์มากกว่าคนที่จนจนเลยทั้งไปแต่ถ้าหากว่าได้ศึกษาในแง่ที่เป็นธรรมะโดยในกล่าวแล้วโดยที่กล่าวแล้วไว้ด้วยเราก็ใช้ทรัพย์สมบัตินี้ให้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นคือแทนที่จะใช้จ่ายเฉพาะในโลกนี้ก็เป็นเสบียงเลี้ยงตนไปในภายภาคหน้าได้ศิละปะนั้นทรงสอนให้ฉลาดอย่างใดอย่างหนึ่ง คือเรียนรู้ดูจําทําได้ใช้เป็นนะฮะพวกศิลปะทั้งหลายต้องใช้เป็นไม่ใช่ว่าใช้มาทื่อๆไปยังไงยอไปเลยเพราะวิชาทั้งหลายนั้นบางทีก็เรื่องเดียวกันที่เราเรียนมาด้วยกันนะแล้วคนนี้มันก็ใช้ถือ่อๆไปอย่างนั้นเองเรียนมายังไงใช้เท่านั้นครูสอนมายังไรก็ไม่เคยประดิษฐ์พริกแปลงแก้ไขอะไรตรขึ้นมาเลยเครื่องไม้เครื่องมืออย่างยกตัวอย่างเครื่องมือในวงการแพทย์วงการใดตระใดต่างๆที่เราใช้เนี่ยเคยสั่งจากต่างประเทศมายังไงก็สั่งอย่างนั้น ซึ่งถ้าหากว่าเรามีความฉลาดจริงๆแล้วมีเป็นจํานวนไม่น้อยที่เราสร้างขึ้นมาได้เราคิดประดิษฐ์ประดอยขึ้นด้วยวัสดุต่างๆที่มีอยู่ในบ้านในเมืองเราเนี่ยเราก็คิดขึ้นมาได้ความฉลาดในศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นท่านพระเจ้าทรงสอนว่าให้ฉลาดสักอย่างให้ฉลาดสักอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งมีความจานิชํานาญในเรื่องนั้นอย่างจริงๆแล้วก็จะเอาตัวรอดได้ไอ้เนี่ยก็แนวความคิดเนี่ยที่สุนทรผู้ท่านศึกษามาเพราะสมัยก่อนในมงคลสละสูนยแพร่หลายมาก ลนตอนพูดพูดว่าร้่วไรให้กระจ่างแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลนั่นก็คือเพี้ยเลยนะฮะบุบส๊บ ส, บ, ส, บ, สบปันจะนั่นเองคือความฉลาดในศินละปะอย่างใดอย่างหนึ่งที่สามารถจะใช้ศิละปะเหล่านั้นเป็นเครื่องมือในการสร้างสถานะตัวเองในการเลี้ยงตัวเองได้ถึงบางครั้งบางคราวอาจจะไม่ลึกซึ้งอะไรเท่าไหร่ก็ได้ในข้อ น, นี้พระพุทธเจ้าทรงยกตัวอย่างศิละปะของการดีดกรวด การดีดกรวดของคนเปรีย้ยนะฮะคนเปรีย้ยคนที่เดินไม่ได้ในสมัยก่อนพุทธการกรัตสั่งเล่าให้ฟังว่าคือคือคือสงสอนให้ดูว่าเรื่องง่ายๆเนี่ยเรื่องง่ายๆแต่ถ้ามีความจำนี้ํำนาญเหนือชั้นจริงๆในจุดเหล่านั้นแล้วคนเหล่านี้ก็สามารถตั้งตัวเองได้โดยเล่าว่ามีมีบุษเปรีย้ยคนหนึ่งแกแกก็ไม่รู้จะทำอะไรกินนะฮะแต่ก็มีความฉลาดในการดีดกรวด ก็ไปนั่งตามใต้ต้นไม้อะไตัดดีดกรวดบนใบไม้แล้วก็ให้เด็กมาดูกันเสร็จแล้วก็ขอสตางค์เด็กเพื่อเลี้ยงตัวเองวันหนึ่งแกก็ไปนั่งดีดอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่เด็กก็ล้อมก็สนุกสนานเด็กบอกให้ชี้ว่าดีดอะไรแกก็ดีดขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างอพอแสงแดดส่องมันก็กลายเป็นเงาหมามั่งเงาช้างมั่งเงานกบ้างอะไรตัอไรอที่ที่ทะลุผ่านไอ้รอยรอยลูกกรวดของแกเนี่ยพอดีพระราชาเสด็จ ไอเด็กก็อุ้มนายเนี่ยหลบไปแอบไปข้างหลังแล้วตัวเองก็หลบกันไปประชาชาไปประทับพักอยู่ใต้ต้นไม้นั้นแล้วก็เห็นเงาใครนี่ามาถูกต้องประพูดสาที่พืชอะไรเยอะเลยก็เงยขึ้นไม่รู้เอ๊ะแปลกฮะมีผ้าแปลกๆเยอะก็รับสั่งสอบถามให้คนไปสอบถามทราบความเสร็จแล้วก็เรียกบุรุษเปรี้ยคนนี้มาแล้วถามว่าผาอันนี้เธอดีดเองไงแกบอกว่าดีดเอง เธอสามารถดีดีดได้ทุกอย่างไหมแกบอกว่าดีดได้แล้วพระราชาก็บอกว่าท่านเองนั้นมีปุโรหิตคนหนึ่งพูดมากนะเกินเวลาประชุมกันแล้วพระราชาจะไม่ค่อยได้รับสั่งอะไรคือปุโรหิตก็ปับป๊บปั๊บพักเดียวเลยพระราชาก็ในฐานะที่ปุโรหิตนั้นเป็นอาจารย์ก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าทุ่งติงอะไรก็สอนอบรมกันมาตั้งแต่เด็กๆทีนี้ บอกว่าสามารถที่จะดีดอะไรเข้าปากปุโรหิตได้ไหมคุณก้อย บ, บอกได้ตกลงพระราชาก็เอาไปถึงก็กันนก้นมันกั้นมันให้หนายเนี่ยนั่งตรงกันข้ามกับปุโรหิตพอพระราชาเสด็จออกว่าราชการพูดไปได้หน่อยปุโรหิตก็แย่งเลยพูดจอดจอักเดียวนายนี่ก็ดีดกรวดเป็นขี้แพ ะ, ะ, ะขี้แพะข้าไปสองทนาเนนีะ่ดีดเข้าไป ดีปับป๊บหายปั๊บหายปั๊บหายกันไปเลยพอขี้แพ้หมดแกก็เขย่าั้นให้สัญญาณแกพระราชาวงหมดแล้วพระราชาก็บอกปุโรหิตว่าอาจารย์แมาอาจารย์พูดมากเดินนะขี้แพ้ข้าวไปทั้งสองทนานี่ไม่รู้สึกเลยปุโรหิตตั้งแต่นั้นมาเลยขยาดเลยขย่าไม่เคยกล้าพูดมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะเพราะทำอะไระะะบุรุษเปรีย้ยไม่ได้ เป็นคนของพระราชาพระราชารับสั่งให้ทาแล้วก็จริงแกก็เหลือกรนมังเน่ยมันพูดอะไรขี้แพ้เข้าไปตั้งสองธนาเนีย่ยไม่รู้สึกตัวเกินไปทีนี้ในที่สุดพระราชาเวลาออกว่าราชการนะท่านก็ได้รับสั่งเรื่องที่ต้องการจะรับสั่งจะทำอะไรก็ตามได้ตามต้องการไม่มีอุปสรรคพระปุโรหิตไม่ไปแย่งพูดส้งหมดรู้สึกสบายหูขึ้นมาในที่สุดก็แต่งตั้งบุรุษเปรียนั้นให้เป็นที่ปรึกษา ราชการเป็นดินนะฮะกระโดดเพื่อดีลเลยขึ้นวังเลยนะฮะจากโคนต้นไม้ขึ้นมาอยู่บนวังเลยเพราะความสามารถมันเหนือชั้นแต่ลักษณะของความสามารถเหนือชั้นนี้ที่จริงเราเอาอะไรให้จริงสักอย่างให้จริงสักอย่างแต่ฉันจริงๆมีความจานิจานานจริงๆก็จะหาประโยชน์จากเรื่องเหล่านั้นได้ก็เรียกว่าหากินจากเรื่องนั้นได้ไปอย่างดีเพราะเราเอาก็จรเราให้ลองสังเกตว่าศิลปะต่างๆเนี่ยไม่ต้องเอาอะไรนะฮะ แม้แต่ทําน้ําพริกในคนไทยทําน้ําพริกเป็นทุกคนน่ะแต่ทำน้าพริกให้อร่อยจริงๆรนี่ก็าหายากมันมีคนที่เหนือชั้นอยู่หรือว่าพวกขนมไทยๆ ท, ที่เราทำเนี่ยไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้อง อ, อะไรนะําเมืองไทยขนาดมุ่นข้าวเหนียวเนี่ยเป็นผู้หญิงแท้ๆึงสาไปซื้อข้าวเหนียวที่ผู้ชายเขามุ่นตัวเองมุ้นไม่เป็นเสียเหลี่ยมหมดเลยอันนี้ก็เป็นเป็นวิชาธรมาธรมดาธรรมดานะแต่ว่า มันอาศัยความเข้าถึงในเรื่องเหล่านั้นมันมีเทคนิคมีเทคนิคที่อยู่ที่ว่าใช้เป็นพระพุทธเจ้าใช้คําว่าธรรมานุาธรรมปฏิบัติหรือมันปฏิบัติได้ทําได้มีความฉลาดในจุดเหล่านั้นอะไรเรื่องธรรมดาธรรมดาเนี่ยแต่ถ้ามันเกิดเป็นความชนานิชํานาญขึ้นก็ให้สําเร็จประโยชน์พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นภาษิตว่าศิละปะอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลศึกษาให้ดีแล้วมีความชนานิชํานาญในเรื่องนั้นก็จะเกิดสําเร็จประโยชน์ขึ้นมาได้ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นความรู้ชั้นสูงต้องเป็นไอะไรวิศวะต้องเป็นแพทย์เป็นเภสัชเป็นอะไรไ ม, ไม่ไม่จำเป็นจะต้องขนาดนั้นเอาอะไรก็ได้แต่ให้เก่งจริง ๆ, ๆในจุดเหล่านั้นเป็นคนที่เหนือชั้นในจุดเหล่านั้นก็จะประสบความสำเร็จได้มาเคยพบท่านผู้หนึ่งซึ่งก็รู้จักกันพอรสมควรที่จะพูดจาแนะนําท่านได้นะครับก็เห็นอาชีพเขาไม่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ บอกก็เลิกเถอะอาชีพตัว น, นี้มันไม่ดีเป็นบาปเป็นกรรมตอนนี้เงินทองก็มีอยู่แล้วแต่แกบอกว่ามันเกิดจาแรงบันดาลใจที่ต้องมาทำอย่างนั้นแต่วันก่อนเนี่อ่านข่าวซื้อพิมพ์ขา ว, ว่าเลิกแล้วเ อ, อ่อคือทํางานอะไรนี่แกอยากจะเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องเหล่านั้นไม่อยากจะเป็นสองรองคนอื่นที่นี้เมืองไทยใ น, นงานมันแย่มีนคนบึกเบิกกันหมดแล้วแกก็ไปคิดงานของแกอีกสายหนึ่งเ อ, อ่อซึ่งไม่มีคนอื่นก็ทํา แต่เป็นงานที่ออจจะเสียงบาปเสียงการมนิดหน่อยอามาก็พบข้าตอนนั้นเขาก็ร่ารวยแล้วก็แนะนำเขาแต่เขาก็บอกเนี่ยแรงบันดาลใจมันเกิดจากอ่านนิยายจีนนิยายจีนจะมีคนอยู่สามคนคือช่างการระบกที่ปรุงพระเกศาให้ห้องเต้กับข้องเต้แล้วก็เจ๊กขายตะหวยสมคนคือแต่ละคนมีความชำนาญในสายของตัวเองช่างการระบกมีความชำนาญในการใช้มีดอย่างดี โดยเฉพาะคือคุมมีได้วันหนึ่งคนเหล่านี้เกิดมันคือเกิดร้อนวิชาขึ้นมาเนี่ยท่านเจ้าการระบบ ก, ก็พอดีในขณะที่ปรุงพระเกษาให้พระราชาคือตัดผมให้เนี่ยแต่มะเรงวันมาเกาะที่นราชของพระราชาแกกําลังกันอยู่พอดีเลยพอมะเร็งวันมาเกาะแกก็เอามีดโกนควานชั่วเข้าเลยมะแรงวันขาดขาดเนี่ยไม่แตะผิวเลยเนะฮะ มีดโกนไม่แตะผิวพระห้องเต้เลยสแสดงฝีมือไม่เบาแรงวันตัวนิดเดียวฮะแรงวันเราจะตบมันจะตบไม่ถูกอันนี้ฟันขาดด้วยห้องเต้ก็ ท, ทําทีเป็นกริ้วสั่งไอ้นี้ไปตรึงเอาไว้ที่กําแพงออาเกราะสวมเข้าไปยิงเกาทันหมดกระบอกเลยปรากฏว่าพอแก้ออกดูไม่มีเกาทันลูกไหนที่ไปแตะจนเลือดออกเลยพอจอผิวจอผิวจอผิ ว, ผวหมดเลยเยี่ยมมากเหมืนกันาการใช้เกาทัน ไอ้แจ็คตะโวยแกอยู่ใกล้ๆนั่นมันก็เลือดทำได้อ้ว ก, ก็ทําได้เก็หยิบถ้วยมาตักตะโวยหมดหม้อเลยเท่ากันหมดเลยทุกถ้วยเลยอันนี้เราจะเห็นว่าเอาก็จริงมันก็แจ็ขายตะโวยแกก็กรวยแกได้นะแกทำได้แกไม่ต้องไปไปไปไ ป, ไปช่างแล้วช่างอีกก็ได้แต่ได้เนี่ยมันมีความเจาหนี้ชานายในเรื่องเหล่านั้นเพราะในศินละปะเครื่องเลี้ยงชีวิตไม่จําเป็นที่จะต้องมีมากแต่ปัญหาสําคัญว่าเราใช้ไอ้ความรู้ความสามารถในสายของเราเนี่ย ให้เกิดประโยชน์ได้จริงหรือไม่แต่นั่นเองพระพุทธเจ้าสอนเอาสักอย่างคือสอนให้แตกฉานสักอย่างหนึ่งเป็นอย่างน้อยนะฮะแต่ถ้าใครมีความรอบรู้แตกฉานในหลายเรื่องนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่างน้อยที่สุดคนจะต้องเรียนในลักษณะเป็นแม่ น, น้ําที่แคบแต่ลึกซึ่งกักเก็บน้ําไม่ได้มากแต่สามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้แม้จํานวนจะน้อยก็ตามซึ่งก็เป็นแม่น้ําที่อํานวยประโยชน์ให้ในชั้นหนึ่ง พิชาความรู้ที่เราเจาะลึกลงไปจนมีความจำนีชจำนาญในเรื่องนั้นก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการเรียนของเรากับการเรียนของฝรั่งหรือการเรียนของอินเดียเนี่ยไ ม, ไม่ไม่ต้องไปฝรั่งก็ตามเอาพวกอินเดียถ้าเรื่องมันไม่รู้แดีวมันไม่รู้จริงๆนะฮะขนาดปรัชญาปรัช ญ, ญาเอกทางปรัชญาตอนที่มาอยู่อินเดียตอนนั้นสมเด็จพระสังฆราชวัดมังกรเกิอดอุบัติเหตุ แล้วก็พูดกันเรื่องนี้ก็มีเพื่อนที่เขาทําวิทยานิพนธ์ปรญาเอกอยู่เป็นแขก่ะพูดไปพูดมามันไม่รู้ว่าประเทศไทยอยู่ที่ไหนโอ้โหจะเป็นด็อกเตอร์แล้วแต่ถ้าพูดถึงปรญาแล้วนี่โอ้โหมันหลับร้อยไฟยดับเหมือนกันนะพูดที่ปรญาเนี่ยตึกซึ้งข่มายิบแล้วก็เรียนได้เจาะลึกพวกโปรเฟสเซอร์ที่มาหาวิทยาลัยทั้งหลายนั้นถ้าสายอะไรของแกหนังสือก็ช้ำหมดเลยนะเรียนแล้วเรียนอีกขีดข่าโน้ตออกมาทําหนังสือ สรุปข้อแต่ละเล่มนี่ อ, อ้าจริงจรชําชนาญจริงๆในเรื่องเหล่านั้นออซึ่งการเรียนในแนวนี้ถ้าเราลองสังเกตว่าในยุคของพระพุทธเจ้าเองก็มีเอตะทะคะ่ะคือยอดในสายนั้นๆพระองค์นี้ยอดในสายนี้ถ้ามีปัญหาวินยัยต้องไปหนอดไปหาพระอุบาลีท่า น, นไปถามพระอุบาลีปัญหาเรื่องวินยัยข่ายภิกษุณีต้องไปถามพระกีสาโคเตมีท่า น, นปัญหาเรื่องธรรมะลึกๆต้องมาถามพระสารีบุตร มีความชนานิชานาญจริงๆในเรื่องเหล่านั้นเรียกว่าถามปุ๊บ ก, ก็ตอบได้ปั๊บกันไปทีเดียวเพราะในศินละปะต่างๆเนี่ยทำอย่างไรจึงจะเข้าถึงได้อย่างจริงๆเอาสักอย่างเดียวแต่นันเองนะทำขนมอย่างเดียวอะไรในปัจจุบันเนี่ยเอาเอาตะโก้สักอย่างเอาเค้กสักอย่างในมือหนึ่งจริงๆในกรุงเทพเนี่ยขี้เกียจจะรวยแล้วแต่ว่าเราเรียนแบบคนไทยเราจะเห็นว่าคนไทยนี่เก่งจังเลยคือรู้ทุกเรื่อง ไปอบรมครูที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งคุยเรื่องอะไรแกรู้หมดทุกเรื่องว่าเก่งจริงครูทีเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรเอ่ยขึ้นมาแล้วแกเก่งทุกเรื่องก็มีอาจารย์ผู้หญิงคนนึงแกคงรู้สึกอะไรก็ไม่รู้ครับแกบอกเป็นอย่างนี้อาจารย์ผู้ครูนี่เขาเก่งทุกเรื่องแต่ว่าเอาก็จริงแล้วไม่ได้ลึกฉาบฉวยฉาบฉวยหมดเลยทุกเรื่องเหมือนกันฮเพราะเพราะอะไรเพราะว่าต้องการรู้รู้มากเนี่คนเราต้องการรู้มากจริงๆเรารู้ไม่ได้ งั้นเราก็ต้องจอเจาะอสึกเรื่องหนึ่งอย่างที่เขาพูดว่ารู้ทุกอย่างในบางอย่างรู้บางอย่างในทุกๆอย่างเราจะไปเก่งไปทุกเรื่องไม่ได้พระเจ้าพูดการเมืองก็ได้พูดแพทยก็ได้พูดเภสัตชก็ได้พูดอะไดตรตัวอะไรก็ได้มันไม่ใช่อย่างงั้นหรือถ้าเรารู้เล็กน้อยๆในเรื่องเหล่านั้นเฉพาะที่โครงสร้างใหญ่ๆนั้นก็เป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเราจะเอาไปทุกอย่างจริงๆนั้นมันมีเฉพาะคนนั้นเองที่เขาทําได้นะฮะอย่างว่า เช่ในใครเช่นหลวงวิจิตวาตการเนี่ยฮะรู้สึกว่าท่านก็เก่งเก่งหลายเรื่องทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่ได้ปริญญาตกแผ่นเนียงนฮะปริญญาประโยคเท่า น, นั้นเองเวลาลูกชายเรียนมาจะทำโน้ตย่อให้หมดโดยทุกเนื้อหาวิชาซึ่งตัวเองไม่ได้เรียนมาแต่ก็มีความชานิชานาญในเรื่องเหล่านั้นก็เป็นคนพิเศษพิเศษเอาไปมีไม่กี่คนในบ้านในเมืองนี้ตามปกติแล้วเราควรจะให้เจาะลึกในสายของเราเอง ไม่ไม่จาเป็นที่จะต้องไปรอบรู้ในเรื่องทุกๆเรื่องไปถ้าหากว่าทำได้ก็เป็นความสามารถของบุคคลผู้นั้นแต่ถ้าทำไม่ได้มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียศักดิ์ศรีอะไรเพราะสายใครก็สายของคนนั้นเราอาจจะจำนี้จำนานในสายของเราแต่ไปอีกสายหนึ่งเราก็ยืนคนอื่นก็ยืนดูคนอื่นก็ทำมันก็ดีซะอีกเราไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยหรือไม่ใช่ทำตัวเป็นคนรอบรู้ไปเสียทุกเรื่องนะครับแล้วเราจะเห็นว่าอย่าง จะแม้แต่นังสือพิมพ์นะฮะนังสือพิมพ์เราสังเกตคอลัมน์บางคอลัมน์ μ, μ, นี้เ ก, กเก่งสารพัดเลยทุกงานเลยเกพูดได้ทุกงานเลยแต่บางคนก็จะพูดแนวเดียวเท่านั้นเองถ้าไม่ใช่เรื่องไม่จะเท่าสายของเขาก็จะไม่พูดเลยเพราะงั้นคนเนี้ยซื้อ บ, บทความที่มีมาตรฐานเราฟังได้เราเข้าใจไ ด, เเจได้เพราะก็มีความรอบรู้จริงๆอย่างในสมัยอะไรอนะสยามรัฐเนี่ยมีคนหนึ่งที่วิเคราะห์การเมืองเกตกาแวนนะรู้สึกก็จะตายไปแล้วเก่งจริงๆแต่คนนี้พูดเราก็เชื่อได้เลย แต่เขาจะพูดแต่เรื่องเดียวต่นนั้นเองเรื่องอื่นเขาจะไม่พูดเลยเพราะเขามีความชำนิชำนาญเฉพาะเรื่องนั้นดังนั้นาการฉลาดในศินละปะอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นอุดมมงคลหรือไม่มันก็ต้องอยู่ที่อะไรอยู่ที่เขาว่าต้องเอาตัวรอดได้อันี้ประโกอบแก่คุ้มครองรักษาตนได้สามารถที่จะใช้วิชาความรู้เหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ในการสร้างสถานะของตัวเองเป็นเบื้องต้นสร้างสถานะให้แก่ครอบครัวเกือ้อกูลแก่สังคมในที่สุด แต่ถ้าหากว่าเป็นความรู้ประเภทที่เป็นเป็ดนรู้แบบเป็ดก็ดีสักอย่างไม่ได้เลยก็มีปัญหาเหมือนกันก็ข้าวทานองที่เราพูดกันว่าความรู้ทั่วหัวเอาตัวไม่รอดแต่นั้นความฉลาดในศินละปะจึงมีอยู่สองสายสายแรกจริงๆสายที่พึงประสงค์จริงๆนั้นคือให้แตกฉานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ได้หรือว่าอะไรก็ตามแม้แต่ดีดรวดอย่างที่ว่ามาแล้วเรื่องง่ายๆพื้นๆธรรมดาหรือว่าการ ทำอะไรทำํำเครื่องจักสาน อ, อะไรต่างๆเนี่ยเราจะพบว่าบางทีมันก็ต้องเอามาจากนี้หรืออะไรที่กระทำกระเบื้องทางจังหวัดนครราชสีมาอย่างงี้ยก็ต้องเอาที่นั้นอะไรเงี้ยคือจะแสดงว่าสายนั้นเขามีความชํนานาญก็จริงๆเป็นเครื่องมือเป็นวิชาประเภทที่เลี้ยงตัวได้เลี้ยงครอบครัวได้สร้างฐานะให้แก่ตนเองได้ แต่ถ้าหากว่าใครจะเรียนประเภทที่เรียกว่าเป็นน้ำกว้างด้วยลึกด้วยก็เป็นความดีพิเศษสำหรับบุคคลผู้นั้นซึ่งแน่นอนเลยเกินคนประเภทนี้ก็ต้องมีน้อยเป็นธรรมดาอาการอยู่ในประเทศที่สมควรการทำบุญไว้ในการก่อนการตั้งตนไว้ในทางที่ชอบทำและการเป็นผู้ศึกษาสลับตกฟังมากกับการฉลาดในศิล ป, ปะอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งหประการนี้ก็จัดเป็นอุดมมงคลอีกประการหนึ่งซึ่งผู้เจ้าทรงใช้คําว่าเอตมังกัลมุตตมังหรือข้อนี้เป็นอุดมมงคลเป็นมงคลอันสูงสุดเป็นอุดมมงคลในแต่ละจุดของเขาซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าหลักของพระพุทธศาสนานั้นเราอาจจะจับที่มงคลนี่แหละแล้วก็โยงไปหาเรื่องอื่นๆพูดให้หมดพระไตรปิฎกก็ได้โดยอาศัยฐานของมงคลเป็นฐาน เพราะพระธรรมาเทศนาที่ทรงแสดงนนไว้นั้นเป็นอเนกกับปริยายนโยจับที่ตรงไหนเราเดินได้ตลอดสำหรับในวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี